เราต้องเรียนแบบเป็นระบบนิดนึ่งนะเด้เข้าใจง่ายๆเริ่มตั้งแต่ว่าศาสนาพุทธเนี้ยขอบเขตของพุทธศาสนาจริงๆนั้นนิดเดียวสอนเรื่องเดียวว่าทํายังไงเราจงอยู่ได้เลยมีความคุกน้อยๆหรือไม่มีความทุกข์งั้นจะตอบคําถามอยเรื่องเดียวว่าความทุกข์เกิดมาได้ยังไงทํำยังไงเราจะไม่ทุกข์จะตอบคําถามแค่เนี้ยไม่มากกว่านี้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นแค่เรื่องเดียวกับ ชาตนี้ชาตหน้าผุ้ผีเปวดานระกสงวนแก้วกรรมนายเวจะไม่ได้มุ่งตอบเรื่องพวกนั้นแต่ว่าถ้าเข้าใจพุทธศาสนาเขาจะเข้าใจเรื่องพวกนั้นไปด้วยเป็นผลปลายได้แต่ไม่ใช่วัดถุฬสุงหลักวัดจุฬสุงหลักอยู่ปัจจุบันเนี้ยทำไนจะไม่มีความทุขหรือ ม, มีความสุข <c oughs> นี้พระพุทธเจ้าว่ามองบอกว่าโลกนี้เต็มไปด้ความทุกข์ ทุกนานาชนิดเลยตั้งแต่ร่างกายอย่างภูเขาไฟระเบิดเนี้เราไม่ทุกอย่นี้เกี่ยวกับเราเว้นแต่เราไปอยู่ใกล้ๆนี่มจะมาโดนร่างกายเราเขทุกเรื่องไกลๆตัวนี้ท่านบอไม่ต้องไปสนใจมันหลอกมันใจไปเมืันสนใจอยู่ที่ตัวเองเนี่ยที่ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยความทุกข์มันอยู่ตรงนี้อยู่ในใจในใจนี่มาเรียนรู้ท่านก็เริ่มตั้งแต่ว่า คนแก่ๆ แ, แล้วก็เป็นทุกข์หรือก็ปวดเยอะก็เมื่อยเดินก็ไม่ค่อยจะไหวไกลๆก็หนีความแก่ไม่ได้เลยโยกเว้นแต่จะรีบตายสุดก่อนความเจ็บไข้ความเจ็บปวดนี่เกิดตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่าวมันเล็กน้อยจนเราไม่ค่อยรู้สึกอย่างนั่งๆอยู่แร้วคันคันนะั่นก็เป็นปทุกข์ภาวนาเรื่องหนที่มันเกิดขึ้นกิวข้าวก็เป็นทุกข์นั่งนานๆ น, น, นิ่งๆ น, นานๆไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวก็เมื่อย ความทุกข์จะคอยตามบีทพันร่างกายเรื่อยๆถามว่าแล้วศาสนาพุทธจะไปแก้ความทุกข์ตรงนี้ได้ไหมแก้ไม่ได้หรอกแก้ไม่ได้ความทุกข์ทางร่างกายก็จะต้องมีอยู่ตามธรรมชาติถ้าละหันก็อยู่ฝ้าเหมือนกันนะไม่นอนนานๆก็ว่วงเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ไนึกิว่าถ้าละหันฝุดแล้วเป็นพุทธเปิลแมนเนาะไม่เป็นหรอก หลกงู่สุวัสดเนะยังนิ่งฟันได้ภาวนาเก่งอย่างไงมีไม่ได้ร่างกายยกเว้นแต่ว่าไม่เกิดถ้าไม่เกิดมามีร่างกายอย่างนี้แนละ้วก็จะไม่คุกเพราร่างกายอย่างนี้อีกแต่ว่าตอนนี้เป็นผลไปได้เกิดมาแล้วมีกรรมที้เกิดมาแล้ ว, นะ เ, ลวเพราะงั้นต้องรับชะตา ก, กรรมมันนิ่งไปมันเจ็บป่วยมันหยิวข้าวหาข้าวมันกินมันร้อนก็ไปอาบน้ำอะไรเงี้ยมันหนาวก็หาข้าว ม, มาหุ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปบนี้ศาสนาพูทก็มองว่ามันมีทุกข์อีชนิดหนึ่งคือทุกข์ของจิตใจทุกข์ของจิตใจเนี่ยไม่ให้เกิดได้ทุกร่างกายแก้ไม่ได้นะเป็นผลที่เกิดจากกรรมเกา่าคือเหตุ ท, ที่ทําไว้แล้วทุกขังใจเนี่ยมันตั้ทนทฤษฎีของความทุกข์นี่ยเกิดจากความอยากมีความอยากมากๆก็จะมีทุกขมก์มากมากมีความอยากน้อยอน้อยก็ทุกข์น้อยน้อย อยากมากอยากน้อยแร้ ว, ว่าที่มันมันเป็นสิ่งที่สําคัสมีความอยากมากแต่ว่าความสามารถจะตอบสนองเยอะแยะก็เท้าก็ความอยากไม่มากอย่างนิดนี้รวยอยากขี่เบนต์มีความสามารถคถือไม่มาก อย่างนับพัตสมมุติไม่รวยเ่เข้าเนี่อยากมีเลยเนี่ยโอ้ทุกมากเลยต้องดินน้นรนนานนี่ทั้งสอนบอกว่าความอยากเราเนี้ยถ้าให้เกิดความทุกข์นี้ความอยากนี้่ละเอียดออนนะอยากเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยก็ทุกข์ได้ทันทายจะเกิดความเครียดขึ้นใ น, นใจิตใจฝนไม่ตกอยากให้ตกตึ้งใจนะท า, ทางที่ฝนจะตกหรือไม่ตกนี่ไม่เกี่ยวกับความอยากเรา พระพุทธเจ้าก็สอนตั้งทฤษฎีไว้บอกว่าความอยากเปลียนเกลีให้เก็ดความทุกข์ท่านก็สอนตอบว่าอย่าพุ่งเชื่อยหลวงพ่อ บ, บอกอย่าเชื่อนะถ้าเชื่องโง่เลยพระพุทธเจ้าไม่ยมอมยกย่องคนที่เชื่อง่ายๆ <c oughs> ท่านก็สอนบอกว่ามาลองพิสูจน์ดศาสนาพุทธไม่ใช่ศา ส, สนาที่กล้า้าให้พิสูจน์ถึงแต่ว่าพวกเราจะกล้ารับคําำ้าไหม หรือรับยอดใหญ่ๆก็ไม่ได้เรื่องนะนี่ถ้ารับคำตาล้วก็เราจริงๆนะอยากรู้แจ้งจริงด้วยนะอยากมีเมียหลายๆคนด้วยโอ้มันขัดแย้งกันนะ <c oughs> นี่วิธีที่จะพิสูจนเนี่ยท่านก็สอนวิธีจะพิสูจน ความอยากทำให้เกิดความทุกข์ไหมให้หันสังเกตลงไปจริงๆที่ใจของเราเองเวลามันเกิดความอยากต่างๆขึ้นนะลองสังเกตดูความทุกข์เกิดขึ้นจริงจริงไหมหลวงปู่ดูลนั่นบอกท่านสอนเรื่องดวจิตถึงให้ให้รู้ลงไปในจิตในใจของเราเวลาความอยากเกิดขึ้นนะมันทุกข์จริงจริงไมนะลองสังเกตดูสังเกตเป็นไหมที่ใจของเรา จริง ท, ท, ท, ทุกคนนะรู้ได้ตามธรรมชาติอยู่แนละ้วอย่างเวลาตรวจเรารู้จักตรวจไหมรู้จักเลยแล้วเนี่ยวอนเป็นไหมงอนอิดนะชา้นนะช า, ยยชาเป็นไหมเกษตรผู้ชายอิดช้าเป็นหนึไหมความรู้สึกทั้งหลายแหละนะี่นะพวกเรารู้สึกได้อยู่ตามธรรมชาติแนะล้วนักลบตรวลงมีความสุขมีความทุกข์ใจอิ่มเ อ, อิบใจทับแฉ่งใจคล่องใจ อะไรต่ออะไรที่เกี่ยวกับจิตใจเนี่ยเราไม่ได้อยู่แล้วาการปฏิบัติทำก็ไม่มีอะไรมากหรอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจเราเศร้ารู้ลงไปเศ้ารู้ลงไปถ้ารู้ลงไปถึงวันหนึ่งเราก็จะค่อยพบว่า <c oughs> ถ้าความอยากเกิดเมื่อไหร่ะความทุกข์จะเกิดเนี่ยมันจะเป็นเป็นข้อสรุปที่เราจะรู้ด้วยตัวเองจริงๆศาสนาพุทธสอนเรื่องการเจริญสติ การเจริญสติคือการที่เราไม่เหลือไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ลืมจิต ล, ลืมใจของเราก้าวรู้ก้าว อ, อ่านไปได้เรื่อยเยนี่มีสองสิ่งแนะที่ติดกัน้นการเจริญสติสิ่งที่หนึ่งนั่นคือการใจลอยใจหลงไปเหอืไปลืมเนื้อตัวไปสิ่งที่สองคือการเนั่งบังคับใจตัวเองบังคับให้มันนิ่งนิ่งนี่เรียกว่าทำสมาธิทำสมาธเป็นการบังคับให้นิ่ง เวลาใจเรานิ่งๆเรานั่งจ้องไว้ไม่ให้กระดุกกระดิบนะพุโทโธพุโทโธนิสัมมาละหังไว้ไม่ให้กระดุกกระดิบเลยคนกระตาก็ไม่โกรธถ้าเราไปตรึงให้มันไม่เกิดปฏิกิริยาตามธรรมชาติเพราะงั้นการที่บังคับใจเองให้นิ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะขัดกันก้นการเจริญสติการเสนอไปใจรลอยไปการหมุนไปดู หรือฟังแล้วก็หรือคิดเนี่ยแล้วลืมเนื้อลืมตัวลืมจิตลืมใจตัวเองนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ติดกั้นอยูแล้วลมีสองอย่างเลยไม่เพ่งไปกเป็เผลอไปหน้าที่ของเราก็คืออย่าไปหลงอยู่กับการเพ่งและกันเผลอให้มันยาวนะถ้าเผลอเมืไไ่อไรเราเลี้ยงรู้ตัวไวๆเราจะหานใจตึงได้บ่อยๆการปฏิบัติเลยก็ไม่มีอะไรมากแล้วเหลือแค่น่ง ถ้าหายใจตัวเองได้คุณก็จะเห็นเองว่าอารมณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นมาความโกรธเกิดขึ้นมาถ้าอยากให้หายโกรธก็ทุบแล้วหรือว่าความอยากเกิดขึ้นมาอยากได้มือถือสเครื่องหนึ่งอยากได้ก็ทุบแล้วถึงมีเงินซื้อก็ยังตุกนเใจเลยต้องเลือกรวนอีกเลยหรืออันไหนโปรโมชั่นดีคิดหนักมีเรื่องที่คิดกวดหัวเยอะแยะ น่หน้าที่ของเรามี่แค่ยี่หนะน้าที่สังเกตตัวเองไปแล้ววันนึงก็จะเห็นความจริงว่าความทุกขเกิดจักความอยากจริงไ ม, ม่จริงนะสรุปด้วยตัวเองไม่ต้องเชื่อใครทั้ง <Okay. S 1> น, นี้นี่มาไกลเจริญพร อืมอืมแล้วเขาเป็นพูดดูไปเรื่อย ลายไปที่ซาวน่ใจลายคืตัวที่หนึ่งที่ทาให้เราจริ่สติไม่ได้เผลอไปนะเขาเผลอเรื่องเป็นเกียรติใจเราเป็นยังไงเราไม่รู้ละเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ละใจเราเป็นยังไงไม่รู้ละแล้วเผอไปนะนี่ก็ไปเลยนีไปอย่างรวดเร็มันลืมตัวเองอย่างรวดเร็ว แม้กำหนดดึงเนี่ยล้วนแต่เป็นพฤติกรรมที่มีการกระทำทั้งนั้นเลยไหมหน้าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยหน้าที่เรารู้ตามที่มันกำลังเป็นอยู่จับหลักให้ดีนะการกระทำทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นเรื่องของสมถ า, าทั้งนั้นเลยติดฟุ้งซ่านทำให้นิ่งน่งแล้หลงไปอยู่กับความคิดนะเราลืมตัวเราเอง เห็เกียรไว้เวลาเรารู้สึกตัวเนี่เหมือนคนหนึ่งรู้สึกตัวอยู่คนหนึ่งเคลื่อนไหวร่างกายก็ถูกรู้ความคิดก็ถูกรู้อารมณ์ทั้งหลายรู้แต่ของถูกรู้มันเหมือนมีแยกเป็นสองตัวเหเกียรติออกไหมสับเสริมเมื่อไหร่เหลือตัวเดียวคนเดียวสงสัยไหมแม้สงสัยกับจิตใจเป็นก้อนเดียวกันถ้าเรารู้ทันว่ากาลังสงสัย เขาจะมีคนหนึ่งรู้ความสงสัยดวความสงสัยก็เป็นของที่ถูกรู้จะแยกออกเป็นสองส่วนอย่อยางเนี้ยความสุขก็ถูกรู้เหม่แค่แค่ เสียมแช่ความสุขเนี่ยนะตอนนี้เรารู้สึกว่าเป็นความสุขแต่ถ้าเราฝึกมากเข้ามากเข้าเนะี่ยแช่ความสุขเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าสุขกับทุกข์เนี่ยไม่มีตัวจริงหรอกมันเกิดจากการเปรียบเทียบนะอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยต้องถุกเที่ยนมาละยร้อยครั้ง วันนี้ถูกเชียร์เ้าสิบครั้งมีความสุขแล้วถ้าถูกเชียร์แปดสิบครั้งมีความสุขมากขึ้นแต่เดิมถูกเชียร์ร้อยครั้งวันนี้ถูกแปดสิบมันหลายวันลนะอีกวันนึงกลับไปร้อยทุกมากกว่าเก่าทุกมากกว่าร้อยครั้งแรกทีค่ความสุขความทุกข์มันเป็นสิ่งที่สำคัญความรู้สึกตอนนี้เรารู้สึกว่าแค่นี้มีความสุขแนละ้วเราแช่อยู่กนะับอารมณ์มีความสุขถ้าวันหนึ่งเราพบความสุขที่เหนือกว่านี้ มีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เหนือกว่านี้เยอะเลยแยกกันไม่ได้เลยเ ร, รู้รู้เลยว่าการที่เราลงไปแช่กับอะไรเนี่ยนะมันเป็นความสุขเหมือนเด็กเล่นโคลนะเป็นสุขเหมือนเด็กเล่นทรายเล่นโคลนมันก็มีความสุขนะมีความสุขเท่ากับผู้ใหญ่เล่นเครื่องเพชรเหมือนกันนะมันมีความสุขอีกอย่างหนึ่งเราค่อยๆดูไปคือเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างเนี้ย นะเรามีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของเราให้ไปรู้จักสิ่งที่มันสูงสูงขึ้นไปความสุขที่มันทะลุนดิดแบ น, นี้เราใช้ศักยภาพของเราให้เถ็งที่ถ้าเข้าใจความสุขที่มันละเอียดกว่านั้นนะเราจะรู้สึกสยองใจหลายคนนะที่ทบาวนาเป็นปฏิบัติเป็นนะจะรู้สึกสยองเลยว่าถ้าไม่ได้ปฏิบัติน่าเสียตายที่สุด เสียโอกาสอย่างไรายกาจที่สุดอือรู้พูดถู่สุวัตเนะี่ยเปน็นอัมพาตใช่ไหมจะเห็นท่านใช่ไนั่งก็ไม่ไดนะ้พูดอะไรก็ไม่ถนดัดทําไนก็ไม่ถนดัดไปหาท่านนะท่านบอกให้มีความสุขยังไงเราบวดมานะเราไม่เคยนึกเลยว่าเราจะมีความสุขได้ขนาดนี้ถามว่ารา่รางกายท่านเจ็บป่วยไหมร่างกายท่านก็เจ็บป่วยเท่าๆกั บ, บคนที่เจ็บเหมือนกันท่านนะ แต่คนที่เจ็บเท่ากับท่านนี้นะทุรนทุรายนะแต่ท่านมีความสุขเนี่มันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เราจะอยู่กับเราไปได้ในในยามที่สถานการณ์เราย่ําแย่หรือร่างกายเราย่ําแย่ <Okay. S 1> <c oughs> แต่ว่าหักใหม่ใหม่เนี่ยมันจิตตกใจความสุขเกิดขึ้นมาพอรู้ทันมันล่วงไปแล้วหลุดไปแล้วเฉยๆซะและ้ว ติดใยังไม่ไม่จุใจนะเราไค่อยๆทำเดี๋ยได้เจออะไรที่มันดีกว่านั้นเหมือนอย่างคนจะเจ้่วปูกระดึงเนาะเมื่อตอนนี้ไปปูกระดึงไม่มีคนแบกขึ้นไปหรอกแต่นี้มีคนแบกขึ้นไปเดยนขึ้นไปถึงซ้ําแท้ก็แทกดึงถ้าเราพอใจแล้วใช่แค่นี้พอแล้วเราไม่ไปต่อแล้วเราไม่ได้ติดถึงข้างบนแล้ว ยังมีเรื่องมีแรงอยู่ก็เดินไปอย่าไปหยุดอย่ารีบพัใจเนาะของดีๆอย่นี้ใจลอยแล้วรู้ไหมนี่ฝึกมาจากใครเนี่ยคือเรียนมาที่ไหนมากแล้วหนูอ่านแล้วหนูไปดีความว่ายังไง ฟังและคิดตามนะฟังและคิดตามฟังได้นะแต่คิดตามเนี่ยหรือถ้าหนูฟังแล้วหนูคิดตามเนี่ยคนที่ไปฟังเลคเชอร์เขาบรรลุพรอรหัหมดแล้วก็ฟังแล้วคิดตามทุกคนทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนหบอกว่าธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังธรรมะในขั้นละเอียดเนี่ยท่านที่จะเข้าใจถ่องแท้นี่ฟังเอาไม่ได้คิดเอาก็ไม่ได้ ต้องรู้เอาจริงๆต้องไปเห็นสภาวะของมันจริงๆถึงจะรู้ได้อย่างเป็นเว่าความสุขเกิดขึ้นได้ยังไง ร, รู้ความทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไง ร, รู้ไปเรื่อย ใส่ไหมไม่รู้ว่าตรงใส่ได้เลอยงไม่รู้ได้รู้ลาไปที่ความรู้สึกสงสัยของเรา การปฏิบัติเนี่ยนะมันมีหลักง่ายๆเลยถึงรู้สิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นมาให้เป็นปัจจุบันให้ได้นะอย่างการที่เรานั่งคิดบางทีไม่เป็นปัจจุบันคิดไปเรื่อยๆเราไม่รู้ไม่รู้เรื่องไหนบางทีคิดอะไรก็ไม่รู้บางทีคิดแล้วรู้เรื่องที่คิดนะแต่มันยาวไปเรื่อยๆหาจุดจบไม่ได้เพราะฉะั้นอย่างคณะปัจจุบันเนี่ยจิตใจเราเป็นยังไง ร, รู้ให้ทันลง ท, ที่ปัจจุบันให้ได้ เข้าใจค่ะว่าปัจจุบันและการปฏิบัติยังง่ายมากเลยอย่างตอนนี้ตั้งใจฟังใช่ไหมปัจจุบันของเราตั้งใจฟังถามว่าจำเป็นต้องตั้งใจไหตอนนี้ต้องตั้งใจก่อนนะเวลาลงมือปฏิบัติจริงจะต้อตั้งใจเราต้องรู้ว่าตั้งใจในการรู้ทันเอนไปเรื่อยๆตอนนี้ฟังเพื่อจะจับประเด็นต้องตัง้งใจฟังแล้วถูกแล้วเพราะงั้นอย่างความสงสัยเกิดขึ้นมารู้ทันมัน ความอยากจะพูดเกิดขึ้นมารู้ทันมันรู้ไปเรื่อยๆรู้ไอเรื่อยๆถ้าเป็นปัจจุบันอะไรเกิดในปัจจุบันรู้ไปเรื่อยๆอย่างความสงสัยเกิดขึ้นมารู้ไหมให้รู้ให้เป็นปัจจุบันเทานี้รู้ิตนึงจะเข้าใจอ ย, าอย่างด้วยตัวเองนะศาสนาพุทธเป็นเรื่องประหลาดมากเนะข้าใจไม่ได้ด้วยการอ่านด้วยการคิดแต่ตเจ้าจเจริญสติในวันนึงเข้าใจด้วยตัวเองได้ทั้งหมดเลย เป็นเรื่องที่ลึกพิลั่นมากเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเกิดที่จิตของเราเนี่ยเ่อเรามีสติเฝ้ารู้อยู่ที่จิตใจเรานี่นะเราจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดได้ธรรมะมีอะไรบ้างหละ่ะมีการปูกฝนและทำความไม่ดีทั้งหลายเกิดขึ้นในใจเราเรารู้ทันแต่พอเรารู้ทันมันก็ครอบงำใจเราไม่ได้ ธรรมะฝ่ายดีเรียกว่าปู่โสธรรมอย่างการอยากทาบุญทำทานอยากซื้อสินในที่นี้ยเป็นธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันมันก็คอบงําเราเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าสอนจกนกทั่งเรารู้จกักธรรมะแต่เราไม่ยึดถือกับธรรมะนั้นหรอกเป็นอิสระจากมันได้วยซไปเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเลยเป็นไงไอ้ลอยรู้ไหม อยากพูดเรารู้ไหมเห็นแรงตักไหมมันดับไปนะ้เดี๋ยวอยดูใหม่ตอนที่อยากพูดอะจะเห็นเลยมีแรงดันขึ้นมาหนึ่นะเทคนิคเพอมเทิมก็เรียกตันหาไปสังเกตใจของเราไหมอยากพูดแล้วเห็นไหมเห็นแรงสักไว้หรือเนี่ยนะฮะปฏิบับติธรรมเรืองนี้ก็ไปถึงขนาดนี้ ถ้ายังไม่เห็นอย่างนี้นะใช้ไม่ได้หรอกกลายเป็นนั่งคิดจิตเอาไม่เห็นตัวจริงพูดอยากจะละกิเลสจริงว่าไม่เคยเห็นกิเลสสักตัววะลาอะไรมันเห็นไหมว่าถ้าใจลอยเนี่ยจะเห็นก็ไปลึกไว้ถึงขนาดเนี้ยถ้านั่งเพ่งอยู่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นมาราะมันนิ่งหมดการเท่งอยากพูดอีกแล้วเห็นไหมเห็นแรงสับไหมเห็นไหมเห็เกิดแล้วตับเห็นไหมเกิดแล้วดับนี่แหละแสดงใจลักเห็นไหม นี่เห็นแนละเริ่มเรียนธรรมะแล้ธรรมะเราจะเรียนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเราต้องเห็นของจริงเกิดขึ้นระดับเกิดขึ้นระดับเห็นอยู่ในใจจริงๆหนะึวันหนึ่งเนี้ยธรรมะตัวจริง่เนี้ยแหวกโลกธาตุที่ตั้งไหนนี้ออกมาอย่าไปเพ่งเลยนะถ้าเพ่งเราจะไม่เห็นอะไรเลยก็นอกจากความนิ่งๆิ่งว่างวเาีอย่าไปจ้องใส่านาันยังไง ให้ชีวิตปกติดำเ น, นินชีวิตปกติที่สุดไม่บังคับใจตัวเองเพราะงั้นตามมองเห็นจิตจะปูงแต่งความดีดีร้ายขึ้นมาเราก็รู้ทันแต่ไม่แค่ไปนั่งจ้องแล้วแค่เนไม่ดีดนนีร้ายแท้ไม่ได้หรอกอยากพูดดีมามเลยแรงไว้ย อ่า ด, ดูไปอย่างนี้นะอย่าเดือดร้อนนะในเรื่องถามนะเรื่องเล็กนะอ่าน ด, ดูของจริงๆสําคัญที่สุดถ้าดูของจริงไม่ได้นะั้นคาดไม่หนูปฏิบัติไม่ได้ํนะาราที่ทำบอกต้องเห็นอารมณ์ปรมัดนี่เป็นปรมามัดธรรมจริตัวจริงเบื้องหลังการบงการพฤติกรรมทางกายวาจาใจของเราเพรสิ่งนี้เกิดขึ้นมามันต่งให้พูดผมก็พูดละจกเป็นธาตของมันโดยไม่รู้ทันมัน เป็นภาพอย่างเป็นใจสงสัยรู้ไหมความสงสัยเกยดทคิดใช่ไหมสนะูกมันบงการให้หลงไปคิดแล้วเดียวที่เราไม่รู้ทันตัวนี้รู้ทันเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเข้าใจจะมีชีวิตยอยู่ในโลกอย่างนี้ความสุขมากไม่ต้องกลัวว่าหมดกิเลสนะไม่หมดหรอกไม่หมดง่ายๆหรอกนะ <c ười> ไม่ต้องกลัวหรอกจริงแต่ว่าเราอยู่กับโลกจะมีครอบตัวมีอะไร ทำงานทำการไหมตอนทุกขมันน้อยกว่าคนอื่นเขาไม่ต้องกลัวว่าจะอยู่ในโลกไม่ได้เดี๋ยวจะต้องไปบวชชีเลยนะไม่ถึงขนาดนั้นเลยเนะี <c oughs> นปฏิบททัติธรรมเจริญสติแล้วนะต้องมีไปบวชนะส <c oughs> มัยพุทธาการเนี่ยลาดียะที่เป็นฆราวาสเยอนะแค่ไหนก็เป็นฆราวาสอยู่เงี้ยไม่ได้ออกไปบวชทั้งหมดไม่ได้ อยากพูดล้วรู้ไหมเห็นแรงไหมเห็นไหมมันแรงแรงไม่คงที่ด้วยเดี๋ยวก็เบาลงแล้วก็ดันขึ้นมาทั้งระลอกที่สองนี้แรงกว่าระลอกแรกดูออกไหมดูไปเรื่อยเรื่อรู้ทันไหมธรรมะนี่อะไรจะบอกให้ทําไมไม่เขายอมที่ถามเพราะถามยังไงก็ไม่เข้าใจหรอกทําไมไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าถึงจิตถิงใจของเรา ขยันเข้าใจได้เราต้องเข้าไปดูให้ถึงจิตถิงใจของเราจริงๆก็เข้าไปให้ถึงใจของเราต้องใจเราเกิดความอยากอยากพูดพุ่งขึ้นมาเ<ม>ห็นเลยใจเราโกรธเราเห็นความโกรธพุ่งขึ้นมาเลยเห็นให้ถึงจริงจิตมีความสุขไปแช่ยอยู่ความสุขรู้ทันความสุขหลดลากลงไปเห็นเลยต้องอย่างนั้น เขาเห็นอย่างแท้จริงไม่เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนะไม่ใช่เรื่องคิดคิดเอาไม่ใช่เรื่องอนุโมนเราแต่เป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปประจักษ์ไปประจักษ์ไปรู้แจ้งในตัวสภาวะจริงๆที่กําลังเป็นแต่เนี้ยทั้งใจกำลังคิด แ, แล้วก็เบริไปนิดหนึ่งนิ้วเมตรใจเราเบรอไปอนิ้วเมตรแล้วสูงสูงหนึ่ ง, งนิ้ว ห, ห่งนหมูห่างเหมือนแป้งยิ่งพอเราตั้วเป็นเก็บใจเราไปเรื่อยๆ วันหนึงเราจะรู้จักยังไงราคะโศโมหะเป็นยังไงปีติเป็นยังไงสุขเป็นยังไงเนี่ยจะรู้จักได้แล้วเราสร้างรู้ไปเรื่อยเราก็จะเรีย น, นไปไปรู้เพิ่มขึ้นไปว่าลูกตัวของตัวต่อไปอะไรมาก็รู้ทันหมดอนะลยเราก็เป็นตัวของตัวเองส บ, บายคนเป็นชาติกับคนที่เป็นไทยเราสุขไม่เท่ากันหรอกนะเราสุขอย่างคนที่เป็นอิสระ แต่ความสุขอย่างคนที่ต้องอาศัยสิ่งอื่นไม่เข้ากันอย่างชื่ออะไรนะพลวงพ่ อ, อจำไม่ได้ชื่ออะไรนะ่ยชี้ตนะี๋ไงวัดที่ตั้งแต่วัดที่ตั้งชตีชื่อดีเนาะมีคำหนึ่งที้ตี๋ปูตั้งหนะ <c oughs> ูมั่มงหลวงูม้านเนียชี้ตี๋ปูตั้งธรรมชาติรู้ตั้งมั่นอยู่ จิติจิตจิตเติมแท้จิตที่ตั้ง ม, มั่นเป็นตัวของตัวเองชื่อดีนะชื่อเหมือนต้ารหันเลมันคือภาวะที่ภาวนาไปแล้วจิตมันเป็นผีติจิตคุยไปถึงไหนหลืมแล้วเน่ยคนแกที่ลืมนี่นี่เป็นวิธีทดสอบเด็กใือว่าเด็กต่างระ ล, ลึมเลย เห็นไหมเราพยายามคนนะพยายามนึมกนนยนะพยายามตร่นฟรองนะว่ามันยังไงนะพยายามตื่รู้ทันเหมืนกัตัวเนี้ภาษาบาลีเรียกว่าวิตกความตื่นถ้าตื่นไปเรื่อยๆเราจะเรีนเนยนนะเราจะค่อรู้จักสาวทวาจริงๆที่ฝุดขึ้นมาฝุดขึ้นนมะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้จักนะมันจะครอบงํารือติดจังของเรา คราบงำถ้าเป็นตัวดีๆขึ้นมาครอบงำนะั้นเราก็จะบ้าบุญตัวอะไร้า ย, ายาขึ้นมาครอบงำเราก็จะบ้าอย่างอื่นอย่างบ้ากามต้นน้อยนิดน้อยตัอยวอะไรหนูนิลาศีมีนินลาศีมีถ้าเป็นรอนจุลาต้องแปลว่าแมวผู้หญิงเฮ้ ก็เป็นคนคนมั้งคงไม่ใช่ว่าผู้ชายมันทนไม่ได้หรอกเนะผู้หญิงบางคนมันก็ตนไม่ได้เ ห, ห ม, มือนกันเน๋้วมันตีกันนหรว่าใครทนได้มากกว <c oughs> ่ากันเขาก็จะมาอ้างเนาะว่าเขาไม่ยอมบวชเนาะตัวอาบัตใช่ไหมตรงนี้ ใช่แล้วก็อ้างถ้าจิตมันรู้ทันนะมันก็เป็นตัวของตัวเองมันก็ไม่สุกครอบงำ ปล่ให้หลวงพ่อตัวนี้หลวงพ่อจะไปรู้ดได้ไงไม่ใช่ไม่ใช่คําว่าปล่อยไม่ได้แปลว่าชั่งมันคำว่าปล่อยหมายถึงว่าความอยากพูดเกิดขึ้นรู้ทันมันนะมันก็จ ะ, สะแสดงธรรมชาติของตัวมันเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ถับไปแล้วเนี่ยเราจะพูดหรือไม่พูดกิริยเรื่องหนึ่งนะถ้ามีเหตุผลสมควรพูดเราก็พูดนะไม่ใช่ว่าใจของเราทุกตัวต้องเป็นกิเลสตัณหามันจะเหลือเหตุผลสิ่งที่บงการพฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนจากกิเลสตัณหามาเป็นเหตุผล ทังดีที่สุดเลยนะก็คือรู้ว่าสงสัยเมืนะ่อมันดับไปแล้วเนี่ยจะพูดหรือไม่พูดก็ ว, ว่ามันเป็นจริงรู้ให้ทันอย่างมันอยากพูดขนาดนี้รู้ไหมยห็งไหมเราล่าเลยนะเราบอกขอพูดก่อนเอาไว้ดูทีหลังเห็นไหมไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นนะเราเห็นแต่เราล่าเลยมันแม่เราขอพูดก่อนทําไมอะ่ะเพราะว่าอิทธิพลของมั น, มนบงการเรานะถึงอยากพูดทนไม่ได้แล้ว เนี่ย yeah, คือตรงเนี้ยที่เราค่อยรู้ทันมันเมื่อกี้หนูก็เห็นนะตัม้มหย่างกันขึ้นมาแต่รู้เลี่ ย, เยงเลี่ยงมันซนะขอบคุยก่อน <c oughs> อ้าวจะถามอะไรให้ถามนะใจดีเยอะอันนี้ <c oughs> ถ้าถ้าจิตใจเราเข้าหานพอนะเข้าหานพอเราให้มันคิดไปเลยแล้วเข้ารู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเราจะได้เรียนรู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากอะไรสาดใดที่ยังมีความปรุงแต่งความทุกข์ก็มีขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่ไม่ยึดถือมันมันก็หายไปแล้วก็ความคิดถึงที่เพิ่ขึ้นเพิ่มขึ้นอันนําความทุกข์มาให้ความทุกข์กขกขกขดีเบียงมาเนี่ยเดี๋ยวเขาแรงเดี๋ยวเขาเบา ก็รู้ไปเห็นมันเกิดดับไปการปฏิบัตินั้นมันต้องมีมีทางเลือกของทางอย่างเวลาเราเชิญความทุกข์มากๆบางทีบางคนก็หนีออกเช่นว่าลราองหนึ่งภาวนาแล้วท่านเป็นมาในเรียที่สมองปวดหัวมากท่านคนไม่ไหวแนละ้วท่าก็จับเท่าที่จิตของท่านเฉยเลยเข้าฉานยานยบ พอลืมตาขึ้นมาก็หายกดหัวป ว, วโล่งเลืมตาขึ้นมาได้เหี้ยลุงครูมั่นชอบมันนั่งฟป้าไหมหล่ะลุงครูมั่นจวบเอาใหใครสั่งใครสอนให้ทำอย่างนี้นัน่นมันวิธีของฤาษีนะหลบหนีความทุกข์ไปทําไมไม่นั่งดูแปว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ยังไง ร, ร่างกายเป็นทุกข์แล้วจิตใจกระสับกระสายไหมต้องเรียนรู้ไป นี้หมายถึงเป็นวิธีการของคนที่จะสู้กันอย่างเอาจริงเอาจังนะนะสู้ไม่ไหวก็หลบมันก่อนในเบื้องต้นครูที่เจ้าก็สอนเหมือนกันว่าอย่าไปคิดอะไรบางอย่างตคิดแล้วมันจะยั้งแย่เช่นอันแรกเลยกรรมเมื่อคิดจบคิดถึงสาวคิดถึงนมเราบอกว่าอยวเพิ่งไปคิดมันอันนี้เพราะท่านรู้ใจว่าถ้ายินซีอนหน่อนแะล้ววิ ปคิดเรื่องนี้นะเดี๋ยวหงท้องแต่ถ้ายินซีแก่ๆเราจะไม่กลัวความคิดเลยคิดอะไรก็ได้คิดทุกคิดไปสิ่ส่วนความคิดจิตก็ส่วนจิตไม่เกี่ยวอะไรกันเลยกิเลสก็ส่วนกิเลสนะสุขทุกขอะไรก็เป็นอีกส่วนไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยงั้นถ้าถ้ายังกําลังไม่พอนะก็หนีไปก่อนเนี่ยนเหมือนหลักการทําสงคราม แต่ถ้ามั่นใจในตัวเองนะเขาลุยสู้กับมันไปเลยไม่ต้องหมีก็คล้าเวลาคล้าหนุ่มๆนี่มาบวชมว่าครูบาอาจารย์จะสอนให้คิจารณาร่างกายผมคนแนมปันนั้นเป็นปฏิกูลเน่าเคยก็ยปวดหลโสโรกอะไรต่อใดคือให้คิดเรื่องนี้ซะดีกว่าไปคิดเรื่องกับผู้หญิงคนนั้นสวยนี่เดี๋ยวสึกไป เป็นวิธีเอาตัวรอดช่วคราวนะแต่มันไม่ใช่วิธีเจริญสติเป็นวิธีของการทำํำสมถะวิธีเจริญสติคือเข้ารู้เลยจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจะเห็นในราคฆาตจิตไม่คนละส่วนกันราคะมันถูกเราดูอยู่เหมือนความสงสัยมันถูกเราดูอย่อย่างตอนนี้สงสัยใช่ล้วดูพิถึงความอยากไว้ความอยากมันไม่แรงเท่าไหร่นะวันนี้เมื่อกี้จะอยากพูดแรงกว่า คือความทุกข์เกิดจากเหตุถ้าเหตุมันดับความทุกข์ก็ดับนี่ความทุกข์เนี่ยมีสองนั่นนะความทุกข์ที่เป็นตัวปัญหาถึงแม้ว่าเรามีปัญหาเราเรียนหนรรังสือกลัวจะสอบสับตกการการสอบตกเนี่ยเพราะว่ามีเหตุที่ทําให้สอบตกใช่ไหมกลัวสอบตกเนี่ย เป็นของแตกตรองศา ส, สนาพุทธสอนให้เราแยกความกลัวที่จะสบับโตออกไปครับคนจะไม่อยากสับโตก็ไปทําเหตุที่จะทําให้สอบได้ครัความกลัวหรือความทุกข์อะนี้มันเป็นของแตกตรองไปแล้วนะเป็นของทีนน่แตกตรอมเขาเหมือนคิดรู้ไหมนะยังรู้สึกไหม มันสำคัญกว่าการนั่งหาคำตอบการมีสติอยู่กับปัจจุบันสำคัญที่สุดเลยจะ mm hmm. ทำให้เราเรียนรู้จักตัวเองได้ดจริง เราเกลียดใจมากเราคิดถึงคนนั้นมาแต่ถ้าเราเฉยๆคนนั้นเนื้อนึกถึงนิดแๆบขบึ้นมาแล้วเราไม่อยากจะคิดถึงง่ายมากเลยเดี๋ยวก็หลุดไปนะสมว่าเรานึกถึงคนที่เรารักขึ้นมาปุ๊บตอนนี้ไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่เจอกันทั้งหลายวันจะห้ามไม่ให้คิดถึงเนี่ยห้ามไม่ได้ทํามไม่ได้นอกจากจะหลอกตัวเองเบี่ยงเบนไปสนใจอย่างไปนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะหรือบางคนไปนั่งกินเหล้าอนะไร ยิงเร็นหรอกได้ชั่วคราวหลอกตัวเองไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็กลับมาคิดใหม่เราพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนวิธีให้หนีแบบท่านหนีไปมันหนีไม่ได้จิงหนีไม่ได้ตลอดหรอ ก, อกเดี๋ยวก็ต้องกลับมาคิดใหม่ใช่ไหมในห้ามมันได้เงยคนคิดมันจะคิดมันก็คิดนั่นแหละคือรู้ตรงนี้ว่าความเป็นคิดเนี่ยนะเกิดความทุกข์ เห็นความทุกข์ในใจเราเนี้ยนะมากขึ้นมั่งเบาลงมัางมากขึ้นมั่งเบาลงในขณะที่เรามาเข้ารู้ใจของเราที่เป็นทุกข์เนี่ยเราไม่ได้คิดแล้ความทุกข์นี้นจะค่อยๆสลายตัวไปแต่สลายก็ราอะไรถ้าเราไม่ได้คิดทําไมเราไม่ได้คิดแต่นั้นเพราะเรามาเฝ้ารู้อยู่แต่เราจะเห็นในความทุกข์เองมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปละมันหมดเพราะมันหมดเหตุมันกับดับไม่ใช่มันดับเพราเราไปละมันเข้า ถ, ถ้าเราไม่ละเอียดรอแล้วมีคิดว่าเราไปดับฟุ ăng, y, ón, ้งได้พอเราดูปุ๊บความทุ๊บก็ดับไปพอเราโกรธขึ้นมาเราเห็นความโกรธความโกรธก็ดับไปเกิดความสำคัญผิดควนจริงก็เพราะว่าเราไม่ได้ไปทําเหตุของมันมันหมดเหตุแล้วมันดับอย่างเราโกรธใครสักคนแล้วเราคิดถึงเขาบ่อยๆยี่โตรธใหญ่ใช่ไหมเรามารู้อยู่ที่ความโกรธของเรานี้เห็นความโกรธตั้งอยู่ในจิตใจและจิตใจเล่าร้อนไปเพราะความโกรธ ไม่ได้ไปคิดเรื่องที่โกรธทําให้โกรธในความโกรธมันก็หายไปแล้วก็จะได้ความเป็นที่ถูกต้องว่าความโกรธก็ไม่เที่ยงหรอกเกิดเหตุคือการไปคิดเรื่องที่ไม่ชอบใจพอหมดเหตุมันก็จับแต่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยถ้าความโกรธครอบงำใจเราได้ใจเราจะเป็นปุ๊บมาเห็นต่อไปอีกชั้งหนึ่งอ๋อจิตใจที่เป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระที่ไม่ปุ๊บหรอกเปิดบานมีความสุข แต่พอถูกอารมณ์ถุกกิเลสภักนานก็เห็นทุก้กที่มันจะเห็นแาบนี้เมื่อเรามีสติอยู่แล้วก็ค่เห็นภาพแท้ จ, จริงือที่คือการเห็นภาพแท้ จ, จริงเท่านั้นเลยภาพแท้ จ, จริงเป็นต้นว่าความโกรธเกิดจากเหตุความทุกข์เกิดจากเหตุถ้าเหตุดับมันก็ดับหรือ็ภาพแท้จริงข้อหนึ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาถ้าใจเราเป็นกลางใจเราเป็นอิสระลางเข้าไปยึดถือใจเราไม่เดือดร้อนไปด้วย นี่ก็เป็นข้อแท้จริงอีกส่วนเป็นสัจจะข้อหอนึ่ที่เรียกว่าสัจจะการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดกเหตุดับไปก็หมดเหตุนี่ก็เป็นสัจจะอีกข้องสิ่งทั้งหลายถึงจะเกิดมาดีหรือขั่วก็ตามถ้าเราเข้าไปยึดถือแล้วเราจะทุกข์นี่ก็เป็นสัจจะอีกข้องั้นเราจเจริญสติอยู่เราก็จะได้เห็นข้อแทจจริง การจเจริญสติแท้จริงก็คือการเอาข้อเท็จจริงนี่มายืนยันที่จิตใจของเราดูจิตใจของเรานี่ไม่ข้อยอมรับข้อเท็จจริงหรือไม่อยากไม่อยากฟังความจริงเล้วยังไม่อยากฟังความจริงนะว่าเราบังคับใจตัวเองนีไ้ได้ไม่อยากฟังความจริงหรือว่าความสุขไม่ถาวรไม่อยากฟังเลยไม่อยากฟังความจริงว่าวันหนึ่งจต้องแก่ คนที่เรารักจะต้องค่อยๆตายหายวิธีละคนละคนเองต้องไม่ตายไปเราก็ตายไปเมื่อเช็คจริงเหล่านี้ใจนี้อยากฟังนอยากรับเหตุการที่เราจเจอสติเลยอันมาน้ามาเผชิญกับพ่อเุ็คจริง่เห็นเลยทุกอย่างเกิดเราต้องดับแน่นอนงั้นเมื่อใจเรายอมรับพ่อเช็คจริงเหล่านี้ไว้แล้วพอเราไปเุเผชินกับปัญหาจริงๆเนี่ยนะมันงาน่ายมันรู้ว่านี่เป็นธรรมดาไม่ทุกหรอก พุทเราไม่ได้จัดการกับชีวิตแบบนั้นเราไม่ได้ทำเองไม่เป็นคนชื่อๆแต่ว่ามีปัญหากากคนรอบข้างเราพี่ชายเรานี่ยมีพี่ชายพี่ชายเราเกิดติด ด, ดยาบ้านี่เป็นปัญหานะครัมีปัญหาเกิดขึ้นเราเป็นทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาติดยาบ้าใช่ไหมทุกข์เกิดเพราะว่าไม่อยากให้เขาติดยาบ้าในการที่เขาติดยาบ้าไม่ได้ทําให้เราทุกข์นะ แล้วพอเราไม่อยากให้เขาปิดยาบ้าเนี้เราเป็นทุกขนะ์นี่พอเราเป็นทุกเนียยศา ส, ะสะนาพุทธสอนให้เราเห็นความทุกข์ในใจของเราความทุกข์มันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้มันก็สลายตัวไปตามธรรมชาตินั่นเองจิตใจเราต้อสงบเบิกบานเป็นกลางเราจะใช้จิตใจที่แข็งแรงอนี้ไปคิดว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงจะแก้ปัญหาของพี่ชายยังไงจะช่วยได้แค่ไห น, น มันจะช่วยโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่กำลังไม่หัวปันมันยิ่งหลีดถุกปั่นหัวเจออะไรจักเละเทะแก้ปัญหาไม่ถูกเรื่องต่างบ้านน้อแก่ปัญหาไม่ดีมีปัญหากาบที่ทํางานซครเซี่ยนมันใส่คนที่บ้านรู้สึกสบายใจคนที่บ้านเครียด น, น, นานๆเขาก็คนไม่ได้ถังขยะเขาก็เต็มเหมือนกันเขาก็หนีไปจากบ้าน ม, มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา เพราะเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยปัญหาส่วนปัญหานั่งทุกส่วนทุกนะคนละเรื่องปัญหานั้นต้องอเผชิญตลอดชีวิตหรอกหมดหมดเรื่องนี้ก็ต้องต่อเรื่องโน้นอีกชีวิตมีปัญหาทั้งนั้นเดี๋ยวปัญหาเรื่องสุขภาพเดี๋ยวปัญหาการเรียนเดี๋ยวปัญหาการงานนยปัญหาครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรเลยวันนี้ที่มีถูกเรียกเก็บภาษีก็เป็นปัญหาอีกนะมีปัญหาได้ทุกอย่าง ขับรถออกเรียบร้อยแล้วคนอื่นมันมาชนเลยไม่อยากให้มันชนไปก็ไม่ได้เลยก็ช น, นแต่พอถูกขับรถแล้วถูกเขชนเนี่ยโกรธโกรธที่ไม่ได้มีอะไรดีขึ้ น, น, น เ, เป็ น, นส่วนเกินทีเดียวงันนง้นเราจัดการกสิ่งแตกปลอมในใจของเราจิตใจเราสงบตั้งมั่น ม, มีเหตุผลเราจิตใจที่มีเหตุผลนั้นเนี่ยไปแก้ปัญหา นะจำไว้นะเท้ารู้ใจของเราใจของเรามันอยู่ด้วยเหตุผลไใช่ด้วยอารมณ์ก้องมแล้วใช้จิตใจที่เข็มแข่งแก้ปัญหาชีวิตของเรา นะมันมีความปรุงแต่งเล่นมาจากข้างในเป็นเหมือนเส้น้มๆๆๆ ๆ, ย ๆ, ยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเๆๆกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆๆๆจๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ และวอโจพี่ไหวนิ้ขึ้นมาเนี่ยนะถ้ามันกระทบเข้าัาตัวที่เรียกว่าสัญญาเป็นคุณสมบัติของจิตตัวหนึ่งที่จําได้เหมายนว่ามันจะแปลออกมาเป็นคาพูดได้ดวงตานะครับวัวแต่หลพบอพุทธเจาเคยสอนข้อเรื่องตัวตนภาวนาไปแล้วก็เห็นนิ้วปิดๆๆแต่ว่าเห็นชนานาญนันจะไหวนิดเดียวมันไม่ไม่สูกสามเรื่องมืแรงนั้นเอง แต่ยังไปกดมันนะถ้าพยายามกดมันจะยิ่งดิ้นแรงปลถ้ยามมือดดูให้สบายใจทาให้สบายใจดูไปเบาๆสบายๆเลยเนี่ยหิ้นก็ไปง่ายก็อินก็ไปแล้วกรเจือนแรงทาไมกระเือนแรงเพราะว่าของมันกระเจือนอยู่แล้วเราจิตเราเสียบเข้าไปถึงก็กรเจือนเสร็จแล้วก็เป็นคนรู้คนดูอยู่ในหลักนี้นะมันไม่รู้ไม่ดูเลยเนี่ยหลวงพ่อเคลื่อนไหอยู่เนี่ยไหวตเนเลย หัวใจเราทุ้งยังไหมเดินทั้งวันทั้งคืนไห